เทศอบรมพระวันที่22มกราคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เทศจิตขนองเด็ดขาดตอนสุดท้ายมีกิเลสตัวขี้เกียจเป็นตัวปกคลุมดวงใจจนมองหาตัวไม่เจอจิตเวลาจะฝึกทรมาน มันดีมันดิ้นถ้าเป็นควายก็ชนเจ้าของจิตเป็นหมาขี้เรื้อนดิ้นนั้นโดดนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่สบายต้องทรมานอย่างหนักมือจนสงบลงได้เทศกันนี้เทศถึงที่สุดกันนี้ห้ามฆรวาสฟังและห้ามอัดให้พระที่คอยเลี้ใ คนที่เ ข, เขาเริ่มใส่ก็ตายตัวตายใจไปแล้วพอเห็นความมุมนปฏิบัติของพรเพื่เพิ่การเรียนเนี่มันก็เป็นอย่างีส่วนมากคนมาก็ามาต้องมามองมาดูเพื่อเรียนงนแง่ทางศาสน์เราไม่ได้ไวเขาริ่มใส่อย่างเยออย่างเอเพราะความโง่เนี่ยเดิมตัวมันก็ไม่คิดในแง่ในตัวอยู่ที มนกิจนี้ไงตัวเรามันจะเอาความสมบูร์มาแก็ต้องมีความบกคร่องมันเขาตึงเรียงที่ตั้งนี่เราถึงเป็นหมดกดขันตาข้ามีหลักจริงดูตอนนั้นตาเรามันจะเคืขาขา่อนกับข้าเห็นดินระหว่างนี่มันเห็นอยู่ทัน ยาแบบยาเหมือนมือนี้เท่ากันละเอียดมาจากไหนให้ถูกต้องมีกว่ามันจะว่ า, าถ้าสายทำตนตกมันน้อยไปสายทำตอนออกนี่ก็จะลุ่มกันไปอะไรนนมันหามีสภาพขี้เกียจอยู่เท่านี้ก็คิดไม่ได้มันมามันไปแก้กิเลส มีในบทใดาบานในในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปดูขี้เกียจอันหนึ่งมันก็ขี้เกียจอันหนึ่งนะเขาขี้เกลียตัวเดียวมันลุกลามได้เหมือนไฟจอก็ไปไม่หยุดไปก้างเดียวนั่นจอกเข้าไปไไา น, นไปันลุกลามไปได้หมดไม่จมนกรทัางหมดทั้งลมก็ไ้ถ้ามีเชื้อหันถ้นา่ามีเชื้อมันก็ดับได้ ในความขี้เกียจถ้าเสริมมันก็เหมือนมันมีเชือ้อได้เชือ้ออันนี้กับขี้เกียจอันนั้นกับขี้เกียจอะไรก็มีที่ความขี้เกียจแต่ทั้งหมดบัก็ลุกลามไปเล่อยูอนน่แล้วตรงไหนตรงแค่กี่เล็เมื่อไปไหนจะมีแต่ความขี้เกียจล้อมหน้าล้อมหลังเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มมองหาพระหาเง่นไม่เจอเจอแต่กี่เล็กหุ่มหอลังมิดชิดตุน มองเห็นหาตัวคนไม่เห็นเลยนัน่นเหมาะสมกับผู้แจกที่เหลียงเลยการบวชในศาสนาต้องปฏิบัติธรรมต้องฝิกตัวอยู่เสมออย่าให้สิ่งความนอนใจความขี้เกียจอะดรเข้ามาแทรกมาสินไน้ รานี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันแอ บ, บเป็นแสนนีเราตามไม่ทนันเราไม่รู้มันถึงได้บอกว่าเคย เ, เรื่องของมันม้รติปัญญาแล้วียิบเข้าไปเท่าไรกิเลสมันละเอียดมันเป็นสอนปัญญาปัญญารติปัญญา ศาสนาเซินก็สอนกันเรื่องปัญญาศาะนาพูดเราก็เหมือนคนถักไม้เหมือนช่างสร้างสิ่สร้าง้านนั่นเองพระพุทธเจ้าสลาดลาอบคอไม้ทั้งต้นจะมาปลูกบ้านผูกเรือนไม่ได้ต้องตัดห้ก่อนในช่างเขา ต้องขด ล, ล้มลงต้องตัดต้องเลื่ อ, อ, อ, อยเินก็ตั้งเป็นรูปเป็นร่างสำเร็จออกมาโดยลำดับแล้วแต่รูปไปเรื่อยๆด้วยความฉลาดจนกระทั่ ง, กงยกขึ้นอ๋อลดอะไรมายิกเห็นใครไหม ประชุมอะไมีจะเรื่องดาหน้าใจนู้มัน้าเราะไรนไ้ำไรขว้างไรปั้ง เดินท า, ห ล, นไไนาหลังไปได้กันไปไล้มันจะยาวกว่าไปไหนแต่เดินภาวนาทางเดินทัศบัตรคืเดินยังคงมันลนจิตมันดีหลักของการภาวนาตัวนั้น เรามาก้ามากออมันี่หน้าด้หลังเยอะมากเลยเน้นเหมาอุงดูนาดูภาพแะรมันสงกับมาอบงมาเล่นหรือเไม่ได้ จิตกินไม่สงบเลยนี่ยเอาให้มันหนักมือจะกินไม่สงบไม่มีความสุขคนเรามีเคยเป็นมาแล้วทุกอย่างไม่ใช่ไม่เคยเป็นตพรงั้นจึงพูดเรื่องที่เป็นมาแล้วได้ถูกต้องเอาเรื่องตัวเองนี่ยอุดยันยันคืออยู่นิดเดอยไม่เห็นทำอะไรธรรมดาธรรมดาไม่ดิดไม่ดิด่งจิตก็ดี เวลาออกปฏิบัติจะเข้าได้ออกเป็นจริงหนูถ้าเป็นความชนทนคนทนเจ้าของดีไม่ดีพงทะลไปถ้มเนลาปล่อยมัน ก, กินตังเรื่ององมนไมเป็นอย่างมัมจะมาจับสนตะไครเอาล่มาแล้วมันจะข่าทุกอ่ามันตาเขียวเปื้อนทนดะเไมด จิตเหมือนกันในเรียนเาไม่ได้ออกเรื่องหราและคำนันปล่อยทางเรื่องเรื่องมีอะไรแต่พอเราหมดภาระในการทึกษาเรียนทั้งหมดต่างต่างจะเอาทำงานกับจิตให้เต็มที่นั่นลูกิมันดิบมันด้มมันพึกมันคนองอยู่ในตัวมันนั่นแต้อนไปทีนองกับ รูเสียงไปลดเลยก็ไม่ใช่อั น, นเป็นในจิต น, นี่ไงไม่หนูเ น, นี่ยทำไมจิตนี่คพามว่าฝึกฝนอารมใจที่ใช้จิตไม่ดีทำไมไมันทั้งดิ้นทั้งดิบคึกทึ้งกนองมึนไมนเป็นอย่างนี้ทําให้คิดคิดแนวคิดเล่าแต่ไม่ถอยทัย้งเรื่องการฝึกนี่พูดถึงนรืน่จิตมันไม่ะงกมันเป็นทุกไม่เฉลี่ยมัน กวนเจ้าของอยู่ภายในนั้นเป็นลักษณะมาที่เรือนอยู่ที่ไหนไม่สบายอยู่ในน้ำบนบกตามต้นไม้ชายคาใต้ถุนบ้านถุงเดือนก็เป็นบกตัวอยู่ในป่านั้นกับความคันกับกวนต้องเตาเข้าหมัดแล้วเดินโดยต่อไป อย่ทาจะดีหรือไม่ดีก็โดดไปอยู่ที่นี่มันจะดีก็ไม่ดีโดดไปอยู่ที่ไหนมันจะดีก็ไม่ดีเพราะสิ่งที่ควรให้หาความสุขมาได้ไมันอยู่ที่ตัวของมันเองนี่กับมันกันสิ่งที่ทำให้รับความทุกข์ความลำบากนั่นอยู่กับหวัวใจเองเพราะมันต้องฝึกอบรมมันอย่างหนักมือที่เดีอย ลดทหารลงให้นุ่มเราไปทำํำทหารลดลงดยุดเอาจะเป็นยัไงฟว้ากันจริงเหรอเพอาราะทหารลงความคลึกคลานในปิดคนรู้สึค่อนเบาลงนั่นแหะเป็นโอกาสเอาวหนักโดยท่านมันส ง, งสงบลงได้สงาลงได้รก็มันต้องเนื้ ั็เกิดอาหา ร, ก, ก, ารก็เกิดการพบการฉันอีอะครท่านัมากมากร่างกายมีกลังมันกบฝืนเราอี่แหละิดไปดีนี่ทไมเป็นปอย่างี้ะอย่างที่เราบึกปืนเราเ ต, ม, เตมที่ตานและเป็นอย่างี้มันทางานจะไม่หิวข้ามร่างกายของเคยต้องการแล้ว มันก็แต่พนกินข้าวแล้วร่างกายอีกมิดมันหิวจริงนั่นแ่ะมันยิ่งหิวมากปิดมันต้องบังคับมันตามมาให้มันหยักนี่ทํามันสูบได้ควสบายจริงพอสงกแล้วก็สบายรู้ว่าสบายจริงปิไม่กวด เล่นมีเครื่อิดโฉมแล้็เรื่อสบายิอย่าที่กอป่วยแล้วมีน้อยก็เป็นแบบเป็นยังกนไว้เป็ยังมาเอายังมาเอายังมีทุลายยังไว้ฮะควรนี่ยะ มองเฮ้ยย no. oh, okay. mm ังบอกเราเราคุอยู่ในใจสองค่นหนูวไมาเอารถไปที่นี่เหมือนเหมือนมาเอารถไปมาหนึ่งมาันไปนี่ยันกลัวเลยเมันเปงบ่างทนนั ดับใจไม่สงบหาความสุขไม่ได้นะในศาสนาเราจะเข้าใจว่าไม่ได้ทำไรทํางานซื้อขายยิ่งต้นทางใต้ทางเหนือเหมือนคารวาซโยมตัวเป็เตี้ยวอย่างนั้นจะเป็นคนมันจะเป็นความสุขยู่เฉยเฉยมันก็ไม่สุขพราะใจไม่พาให้สุขใจมันดิดมันดิ้นมันคลึกมันค้อนมันกอบควรตัวเองอยานัใจไม่สงบเป็นอย่างนั้นหาชื่อเลือนอย่างว่า เป็นงสบา ย, ย่านี่สบายหลอกแล้วหลอกกัล้องไปมันหลอกไปต้มหลอกไปขึ้นเฉียงพอฝึกมันเขอบฝนเข้ามันมันมีความสงบแล้วมันก็สบายมันเบื่อกันเล่นดิเรามันช้าต่างี่างมันสนนน ง, งนนมนสมบสมันติดสงบ อ, อีกเพียมสงบกอาลังมากเลยติด นเห็นว่าพานอยู่ตรงนี้่ตรงดูลู่แนวอย่างนี้หวังได้ในว่านิพพานนั่นแหละลสนใจที่มีคิดจะแก้จะถอนจถอนอะไรอ่าถูกทำไมคุณอารย์เขียนอะไรหลับมันถึงไม่ออกพอไรก็โห้พรมันพร้อมอยู่แล้วผึ่งเลยอยู่อะไรก็ทดมาแั้วกาจะสร้างบัตรส้างเดืองเครื่องทาประสําธารอะไรก็พร้อมแล้วแัตรตำครัว เรื่องควรมกับความยากเป็นแต่นั่งเฝ้าหรือเฉยพอมีผู้บอกวิธีแล้วมันก็ับนั่งแต่นี้จับนี้แต่นั่งมันก็ทมาเป็นบ้านก็เป็นไปเรื่อยๆเเป็นอาหารก็ต้องเด็กาหาเป็นมาอะไราความเป็นปิการาปัญญาไม่พอมออย่างนั่นแลเราถึงดิกแน่ในใจว่าในสมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองยาหาเรพูดวังนี่เลยเราพูดอย่างอาจหาเลยเพราะเราเป็นจิตขอเราเป็นสมาธิอย่างแน่นหนามันคงมันต้องต้องห้าไปนั้นได้อะไรมีแความสงบละเอียดก็ละอยู่แค่นั้นคันสมาธิละเอียดเลยนั่งไปมันก็เห็นได้แล้วไม่เห็นมีมันก็สุดฉีดขึ้งมาเท่านั้นมาอยู่นั่นสุดท้ายก็ติด วันนี้พานก็คือควา ม, มนี้เด่นๆนี่นะมันจะเป็นนิพพานเอาตรงนี้แหละเร่งมันก็ไม่เด็เหลืองนะแล้วทั้งปัญญาขุดค้นพูดเฉี่ยเต้นก็ืี่กำลังทั้งนีนเรื่องของกิเลสมันดีดออกมาผึ้งผังผึ่งัพ ง, พ, ง, พ, งพร้อมสมาธิมัดไวเอาขังไว้ทีเดียว พอปัญญาไปุ้ยเสียนะมันก็แต่ขึ้นมาแต่ขึ้นมาก็้ันซาดพันแหลกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยนั่นมีสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดมีเมื่อไมาจะเกิดเองดังนั้นใครจะไปติดสมาธิได้ผู้ติดสมาธิมีอยู่เยอะมันก็ทํางไม่สุรกัะหายด้วง ม่นคืนาคุทนี้ามันมีทุนอะไรนเขาะจะให้ขาดคุณหมดเลยมหั ก, หกมึงให้เข้มแข็งปรอกอบหาวันทีหลายด้านหลายทางวิธีอุปการมรื่วิธีไหนได้ผลดีวิธีนั่น หนักเมื่อไหนักเวลนอนผมเปนผมคนอนตลอดคืนนอนอนุ่งร้นมันมีแต่อมตะขอดีกว่าด้วยกันตะขอดึไม่ได้หนึ่งโดดนสัยไม่ให้เคยอนอนตลอดรุ่งเคยแต่ว่าผมจะได้เข้าที่ ควรทำตลอดหนุ่มไม่สมอดไปสองคืนสานมคนเคยทำมาไปมาเลยขือไปหมดไม่ส้างเงดือลยื้อดื้อเดือดมีรบาเถ็นหัวตอกเข้าใจเราคนระบายก็จะเปิดฐานบาดถึงหัวตอมันพื้นมันไม่รู้ อ, อะไรไม่ได้คือคือมันไม่คร่องตัวไม่แคติดก็ไม่รวดเร็วปัญญานต้องขุดมันจะปัญญาไม่ เวลาฝึกิธ <c oughs> ีอดอาหารรู้อ <c oughs> ืมออกทีดูยลเพระอดไปวันมันหิวและเริ่หิววันแรกมันต้องหิวมากวันแรกมันสองวันสามต้อหิวมาคลิปอาหารหนึ่งมันแทล้ีดห้าเกแต่เวลมันแ็่กับมันขี้อ่ะนี่มันสองสามวันแล้วมันเป็นเค้อยะ ต, ต้องการในจิตนะจิตขุนขันขุนขันขุนขันเราจะไม่เอาแบบกดเอาแบบผ่อนมันมีใจมันถูกมันต้องจรินะซึ่งตอนนี้ความอยากมันอยากมันหิ้ทุกคนแหละใครก็อยากใครก็นิ้วของทาตุธรมมันต้องการแต่ทําเราต้องการมากล่องอาหารในที่การการพิจาราแต่กินไปเหมือนกับว่าอยู่เพื่อยู่เพื่อท มาลเป็นวัตถุแล้วไม่ได้อยู่วอาหารบำเป็กวัอาหารนี่ยมันแฝงไปเลถึงเป็นงาราก็ได้มอนข้าวแก้วกระปิโป๊วกางช้างกางนแล้วน้องนวดนั่งาวนาที่ไหนเหมือนหต่อยิ้มดึกอากาศเย็นสบายสา มันแน่วโลกมันมีอะไรมีแต่ความรู้ผู้อันเดียเท่านั้นเรานั้นนะแล้มีล้ำค้ำมันครับเหมือนโลกมันมีแต่ทำไมมันเหมือนกับคํารุ่นมันครอบโลกทั้งหมดนันก็พูดแบบฟังยากนะคําว่าโลกไม่มีคือว่าไม่มีในความรู้สึกธรรมดาของโลกนั้นมันมีล้ำค้ำมันทั้งหมด เมือนเราจะเยกเยกมาพูดคือมันไม่มี้อยูในความรู้สึกนั้นเลยเวลาทัา้งหมดติดดีความรู้งมันเด่นม า, ากๆมันสร้าง อ, อี้มันจึงบินเหมือนครอบโลกกับท้าบเจนขั้นทั้งหมดขั้สมาธิมันป็ยังเต็นได้บางท่านที่มีสมตัวมันมันก็ยังเป็นได้คนปฏิภาั้นอึ ม, มันเติมม น, น่แน ม่มีหายเ่งเลยลหมหาจนี่จามันหายไปไหนความคิดความถูุงไม่มีดีแยบแยบเลยความบุญเน่งแต่ใครมาคาดนะใครเป็นกปตามผลของคนเองมาคาดม่น่าพูดนี่นผิดนะผมต้องระมัดระวังกับพูดอะไรคนลงผลคนลงคนอือไปจะมาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เป็นทายาหลงไม่ถูก ถ้าเอาอยางวิธีดำเนินคือคือตั้งสติให้ดีน่ะทำให้มีความเข้มแข็งันรักษาสติให้ดีบังคับติดให้ดี น, น, น, ดดดดนี่คือวิธีการเอาอย่างได้อันแต่ผลมันเกิดขึ้นอย่างนี้ระดับค่าผ ล, มาผลมไม่ได้ผิลโคตรนุ่งทหารใช้รังท้องเสียนผม มันคงวมันแตนมันเสเลยราไปลุ้นมันแต่เราไม่เสียใจแต่เราทำาประ่นหนักไปบาไปเราไม่เสียใจผมตากายตแต่เราคก้างเห็นนี้เป็นอหกันอส่เป็นยังอยู่คนเดียว มันก็เป็นไปก็อร่อยแม้ว่าตามทํามันรุ่มมันนานเข้าไปมันรู้สึกว่าถ้าฐามันเพียมากจริงๆก็ถ้าเอาสักขนาดสี่วันขันทีสี่วันขันทีแต่มันไม่อยู่ไม่หล่อมันเอาอยู่งั่นสื่วันขันทีห้าวันขันทีถ้าหมดเจ็ดวันนี่มันอ่อนมากพอได้เงินสองเดือนไปแล้วมันอ่อนมากผมเคยอดถึงสองเดือนก็คือวันเจ็ดวันขีน ท่านอเนี่ยายีไปเนไปเนเป็นเดือนเนงดังคำคุยต่อไปมึงานเข้ามาดีมึงพอมันดังเข้ามาดีเร่องระยะนั้นมัยัมันยังไม่ดุแหล่งทองที่ต่อมาต่อเป็นขาที่สี่ห้านี่เนี่ เกิดการอดมันไม่อยู่มันแสดงถึงทัเกเะมันทาที่สองออไปท้องขึ้ น, นเพราะเงี้ยตึงเหมือนเพราะควาเพ่งเพ่งตึงโอ้แน่หาไม่มีในท้องน้ำปิดมามันแสดงว่ามันถี้แ้องมันเสือ ตอนนั้นก็ไม่ถอยจิตนี้มันเห็นโทษน่การอดอาหารอะไรมันเี็นุณเพราะจิเด็ดเพราะนี่เืยๆก้าทีที่เออกปฏิบเป็นกลุมบอลหนึงตันงงาเจดถึงตั้งขาที่หกร่วปแล้วนี่เป็นกลุมบอลหนึ่งเราติดคกติดตารางก็ไม่หนักเท่านี้ละตะโกนว การควบคุมก like so ็เอการฝึการทรมานตัวเเหมือนไม่อมมองให้บุญหมอกเลยเลยหลักมากเมึงฆ่าความข่าหตั้งใจความสนใจความหมึกหมู่ของมงเด็ดจริงเล่นเด็ดเ่นเด็ดจริงจตายบันทีมัาตาอีกเนี่ย จิตมันมีความมุ่งมั่นต่อทำทุกอย่างเดียวนั่นหมายมีกำลังกล้ามีความมุ่งมั่นต่อทำมีกําลังกล้าเรานี่มันเริ่อเล็กน้อยไปเป็นจักรายเก็บไข่เด็กกลถ่ายต้องถ่ายท่ อ, องเงี้ยนานขําัด น, นั้นฉันมันถ่ายออกหมดไม่มีเหลืเลยถ่ายต้องคืนเราจะช่วมงคุณบ ท, ที่คิดกลัวเสือแต่บคบอเท่ากันห้องคืนไม่นึกได้โคมไฟแล้ว หรือไปนโน่นแต่ทำเลยทำไปนโน่นแต่ทาอีกกลับไปนโน่นแถวเน้ยไม่มีที่เหมาะสมก็ต้องลงไโน่นลงมือนนบทีเราคิดมันทำเป็ น, น, ป น, นต้อง ม, มั้งคนมันจะเด็กถึงเราตั้งใจสู้กัวเวลาเพิ่มมันก็สวนหมัดเราได้เหมือนกันเก็บความกลัยักมากัวเสืออย่านกับคุปโหมาฆ ก็ขัาๆอยู่เนี่ยอันหนึ่งแก่แล้วมลางคืนถ่ายกลางคืนเนี่ยหมดเลยถึงข้าวมันมีทองแสบเะหมือนไม่ได้กินเอาอี้นีแต่กินมันสาคัญนะเนี่กินมันข้าวมันขานมันเฮยดื้อดึงมันทมันต่ง่างต่ง่างงานมากความบอกมันควรจะตายมันไก่ตกน้ํา แต่ข้างในมันเป็นอย่างนั้นด้วยวันนี้แล้วที่ทำให้บึ้งๆเวลาก้าปีนี่ม่คิดดูความเปลี่ยนงานไหนไม่เหมือนงานตอนนั้นอ่อยัออยงหนักยื่นคันช้าที่สี่ที่ห้านี่มันหนักคันช้าที่ห้านี่มันหนักเพราะมันเป็นปัญญา แบบน้ำไหลลงมาจากภูเขาเองมนกรลก้าของมันจนทรอันนี้เป็นน้ำไหลดีปัญญาเป็นน้ำไหลนีเหมือนน้ับน้ำถึมไหลงไม่หยุดไม่ถอยห่างไม่หักหักไหลยงนั้นห่างไม่รุนแรง ไม่ผ่านไม่ผลเหมปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายอันปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายนี่ผ่านผลกระส่งกับกายมันวัตถุอย่างปัญญาก็ต้องผ่านผลบางทีเหมือนเพว่าตัวไหวอยู่มือไหร่มันฟัดกันอ๋อจริงๆมันเริ่มเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ตรงนี้นะตั้งแต่ขั้นพิจารณาร่างกาย ทำนี้ทำนานเนี่ยมันทำงานจริงจริงนะเรานเป็นเลยเชื่อได้ก่ได้สอ น, นเพื่อนเต็มปากเต็มคอเราไม่กระทบสถานเพราะสอนมาจากความจริงที่เราผ่านมานด้นการฝึกขัดนี่แหละปติร่ำลุกุนขันปัญญาร่ำลุกขุนขันมีแรงฝึกไม่หยุดไม่ถอยมันเตรียนไกลั้งนานขึ้นมาหาถามข่องแค่ว่องไปทุกอย่างทีนี้ปติปัญญากับกิจมันเลยเป็นอันเดียวกัน พอจิตแยกมันก็เหมือนกับตัวนระิปัญญาพร้อมเพราะมันจอดอยู่แล้วพอแยกเนี่ยคือมันกับเพื่อนปุงปุงเรื่องไหนมันทันทับพับพับเป็นเองน่ะมีส่งข้างเป็นเองปรุงมันไม่ได้แต่มาตั้งสติได้ไมตั้งสติมันก็เป็นมันเองมันก็เลยออกเป็นอัตโนมัติถ้าตั้งการตั้งท่าทำมันมีเผดได้ถ้าการไม่ตั้งท่าทางมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติที่มันไม่เผอ นเป็นกตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับวันนี้เราได้มีเผ่ออะไรที่ไหนบ้างไหมักคู่คู่หรือขนาดย่านี้ไหมไม่มีเลยนัตรงนี้่เราถึก้าพูด่สติปัญญาของธรรมเป็นอย่างนี้เป็นเป็นเหมือนที่หมุนกับวิเล่หมุนกับอัดกับคำาีกพิจารณาไม่ใช่หมุนแรงนะหมุน้มันอย่างนั้นทนรืทันทงานอะไิยนมันก็มาอยู่กับงานมันอยู่กับมันนั่น ฉันไม่ันยิ่งก็ไม่ได้ถได้ขนานไม่สนใจมันหมุนติอติวเหมือนกับนวลาปกติที่เราไม่ขันทางานเหมือนกันบาที่หกนี่มันเป็นน้ำไหลดีตั้งจะออกบราที่ห้าจนออกบันดาที่หกเนี่ยมันเป็นน้ำไหลดี ปัญหาเรื่องกายยิบมันก็หมดกันในในกลางวันสายสหกมันหมดคําวนกันเรื่องการพิจารณาร่างกายคือว่ามันพอจริงมันไม่เอานะอืไม่เห็นจะชัดจริงเมื่อมันพอจรงอย่างนั้นร่างกายร่างกายนี้เหมือนไม่เคยพิจารณาเลยตองกาหนดนี่มันเหมือนกับว่ามันสลัดปุ๊บหรือสลัดปุ๊บความวิจิตรู้เน้วใจแทนมาพิจารณามัางมอะไรนั่งมันเป็นเหมือนเป็นอย่างนั้น มันงงไปนี่นะที่มันรู้แล้วมันเป็นอย่างนแล้วในตลาดอันไหนที่มันดูดดื่มันเชื่อมต่อกันหมดนั่นตามนั้นแต่ตามมันไปตาั้งถึงดังขันห้ามันรอบตัวขาดจริงไม่มีเงื่อนต่อในขันห้ามันจะไปต่อเรื่องธัญญาเรื่องทั้งขันอันต่อตะกับเรื่องอะไรมันก็ไม่ไปมันหมดหินมันก็รอกผัานลงไปมันมีเหลือแต่แยก ในจิตมัล้วนมันมีตัวจิตแยบออมาพับดับพร้อมแยกพับดับพร้อมแล้วคอยคอยตามเงินพิสูจนึเงิ น, นแต่กินอะไรยังไมันโอ้มันถองแซวเรื่องประมาณนั้เหมือนร่างกายหนึ่งร่างกายข้างล่างนี่พันทะลุไปหมดเป็นอากาศไปทั้งมดมองดูอะไระเนี่ยนี่เป็นลังๆกันน่ะเป็นงององมองดูเขาทั้งลูกมองดูก้อนทีใหญ่ๆทั้งก้อนนี่ มันพลุไปหมดเลยในความรู้นี้มันมเหมือนเหมือนไม่มีหินทั้งก้อนนั้นแหละคือมันว่างในตัวเองมันว่างธรรมชาติมันว่ามันว่างออกไป เ, เป็นอย่างว่ามันยังไม่ว่างตัวเองแต่แค่ตอนนีก mm hmm. พอได้เหขียนกับกลับมาขยำตัวนี้เลย mm hmm. พอขยำตัวนี้ อะไรอะไรนั่นก็มนผสมดเมือี่เมื่อผมใส่ไม่มีแล้วเศร้าหนองมันจะมาทำารรมะอะไรมาเศร้าหนองส่ก็มีเมื่อใส่ไม่มีแล้วเศ้าเคู่กันเขไม่สุขแบบทุกเวชนาจิ้นปืนเงินหมดไป ทุกเคยปัญญาในปุถุพจน์จะมาจามังไรเนี่ยเลยรู้ทันมันถึงขั้นแล้สติปัญญาโมลามนี้ขัขข้นนี้แล้วมนนก็หมดปัญหาไปทีนี่เลยไม่กําหนดกฎเกณนะว่ามีสติปัญญาหรือไม่มีสติปัญญาเป็นอัตโนมัติหรือไม่เป็นเป็นมหาสติปัญญาหรือไม่เป็นเป็นยังไงมันเลยไม่ไดิ่ันเลยเนี่ย ที่ข่านละมหาสตมหาปัญญาเพาว่าน่าองค์มากนะมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญานี่นญญนย่วดขั้นละเอียดก็คืออาหาสมมเดินเดินนักอ่าคเพราะก้าเขาถึงที่เต็มภูมิแล้วขัม้มมหาสตหมาปัญญาหมดความหมายลยคือหมดความจาเป็นไไม่ไม่ไม่ไมหาพูดบตสติมันก็เป็นสมมิปัญญาก็เป็นสมมตมักแก้สมมติคือกิเิย์ตัเใหตา่าง พอถึงตอนั้นมันหมดไปสๆๆๆๆติปัญญาแล้วหมวกกองจำเป็นใปก็แยกทั้งสองเลยเฉลี่ยออกทั้งนั้นไปสติปัญญาก็ออกทำนี้คุ๊งนั่นมันก็พุงโรงกลางอันเดียนะถ้าเราจะเทียบนะมันไม่เอาทั้งสติต้องเังนถ้าสติปัญญาไม่เอาทั้งเฉล็่มันปล่อยทั้งหมดมนี่ต้องรู้รู้เท่ารู้เท่าเองนีงจ่จะมีสติหรือไม่มีก็ไม่มสำคัญก็เห็นแต่เสือตัวมัน เจ็บๆตัวมันดูดได้มันตายแล้วมันเงินเลือดไหลายมันตั้งไหนดูดลายเต็มตัวก็เสือตายแล้วมันจะมีลายกี่ลายกลวงอะไรก็เล็บก็เล็บเสือแต่มันเสือตายแล้วลายก็ลายเสือเสือตายแล้วเขี่ยวเขียวเสือเสือตายแล้วเนี่ยอะไรอะไรก็อาวุว่าเสือน่ยมันเป็นลายผัดคงผัดกรอนมาตลผัดของมันอยู่นนแะแต่วผัดกรอนของเสือตายแล้วมันทำสมาธิไม่ได้ กีจมันก็เป็นก็มีแต่การท่าที่แรกๆเหมือนกับว่าร่างกายแรกยังเหลือแต่ลายยังเหลือแต่เอาเฉพาส่วนต่างๆเมื่อขันยังทรงอยู่เที่ยวก็เป็นเที่ยวหมูก็เป็นหูหางก็เป็นทางขึ้นอย่างว่าอาการทัางท่าดูไปธนาธนาในทางนี้อย่างนี้เลกนิดนเล็กนิดคือไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปยึดมัน แต่งงนั้นกั้นี่แล้พอหมดอันนี้แล้วมันก็หายไปทำอย่างนนั่นเป็นสมยไอยู่ขนาดสมัยสมจะสงสัยเป็นเกิดองคนที่ไหนอนาคตมาจากไหนเนี่ยมันรู้เท่าทุกอย่างอนี้มันก็รู้เท่านุก็รู้เท่าปัจจุบันก็รู้เท่ามันปลอดไปทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือทิ้งอะไรนี่ผลของการปฏิบัติเอาจีงเงาะจากมันต้องรู้ถ้าไม่จะไม่รู้ มัทิมะปฏิบัติอาเครื่องแก้ก ท, ก ท, ที่เด็กทุกประเภทแท้ๆให้พ้นหน้าที่หมายไปได้ถ้าเราสามารถดําเนินตามนั้นกิเลสตัวไหนจะเหนือกติปัญญาขั้นนี้ไปได้ไม่มีเราเชื่อแล้วเกินไม่ว่าสมัยไหนขอให้ดำเนินมัทิมาปฏิบัติอาให้ถูกต้องตามหลักลส่วนคาตธรรมถัดต่อไนี้กิเลสนี้จะขาดสะบัน้นไปเลยเราจะเป็นขาดตะคิดหรือความคุณมิภาบหมดจิตมดสมัยธรรมที่ ครั้งนั้นครงนี้อย่าไปยุ่งเสียไวล้ำเวลาเอาว่าตรงนี้ที่เหล็กมันเห็นบอกการบอกสมัยมันอยู่ในหัวใจคนม่นมาตั้งกับตัางกันไม่เห็นบอกว่าการนั้นสมัยนี้มันจะเบาบางมันยิ่งสั่งโซ่สั่งโซ่ตัวม่ด้เลื่อนเทปัญญาสติปัญญาเราไม่ทันวาดกันลงที่นี่มันแหลกลงที่นี่แล้วมันหมดปัญหากันหมดเนี่ยปัญญาอธิบายหมวกมันฟังแค่นี้พอพูดเป็นต่อ